ขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้เป็นวันสมาทานศีลของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าผู้ที่มีจิตจักรทาก็ว่าวันพระหนึ่งเร็วแป๊บเดียวก็มาถึงวันวันพระ แต่ถ้าบางคนมีกิจธุระทำไมวันพระทำไมไม่ถึงเท่าไหร่มันเร็วนักนะแต่ตามไม่จริงผู้ที่มีศรัทธาก็บอกว่าวันพระช้าทำไมหลายวันละเกินอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยากจะมารักษาศีลแต่ถ้าว่าผู้ที่มีธุระการงานเอ้ยทำไมไม่กี่วันมันถึงวันพระเร็วนักบ้าะ อันนี้ให้พวกเราสังเกตนะแต่ว่าเหมือนกับคนทำงานอยากจะได้เงินเดือนอย่างนั้นอ่ะอยากจะได้เงินเดือนก็บอกอืมทำไมมันช้านักวะทำมาตั้งหลายวันวันแต่ละวันเนี่ยทำไมมันช้านักอยากจะได้เงินเดือนแต่ถ้าผู้ที่รวยอยู่แล้วผมไม่ได้คิดไม่ได้ใส่ใจมันก็ไปตามวันเวลาของมัน น, นี่ก็เหมือนกัรนนะั่นแหะพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าอยาไปคิดว่าวันพระเร็วนะต้องคิดว่าวันพระเนี่ยโอ้ช้านักพวกเราจะได้มาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บําเพ็ญทางจิตตภาวนาของพวกเราอ น, นี้ก็เป็นวันพระหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายสมาทานศีล ศีลคือคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศ า, าสนากุบาสุกุบาศิกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านก็ให้มีทานมีศีลกันมีภาวนาแต่ทานพวกเราก็ได้ทําบุญทำทานได้ตักบาตรพระสงฆ์ในวัดของเราก็ตั้ง36กรูปพระทั้งหมดนะยำพรรษาแต่วันนี้ลงมาไม่พร้อมกันท่านอดอาหารท่าน ภาวนาของท่านก็ไม่ได้ลงพระมมนลงมาพร้อมกันถึงอย่างไงพระจำมรนสาวกว่าสาสหรูปอันนี้เมื่อเช้าเราก็ได้ทําบุญทําทานตักบาตรอันนี้ก็คือการทําทานแต่ขณะนี้พวกเรากําลังเริ่มจะสมาทานสินสินคือเป็นผลประ ก, กาศออกมาว่าผู้ใดเป็นผู้มีสินผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับ ถ้าคนรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายไม่ฆ่าใครไม่ขโมยของใครสามีภรรยาลูกหลานของใครเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนไปที่ไหนไม่หมุสาไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงใครพูดตามความเป็นจริงไปที่ไหนมีสติสมบูรณ์เพราะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เสียจริต ไม่วิปริตในสติสัมปชัญญะมีพร้อมอันนี้คือคนไม่เมินเมาคนไม่เมากับยาเสพติดทั้งหลายนี่ก็คือศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ขมวดศีลแล้วว่าสุดท้ายของศีลนัล ว, ว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีล สีเลนะโพคะสัมปทาผู้ที่จะมีโภคะสมบัติได้ก็ด้วยอเนสงแห่งศีลสีเลนะนิพุติยันติผู้ที่จะไปสู่นิพพานได้เพราะศีลทำไมจว่าสีเลนะสุขติยันติให้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าคนไม่มีศีลแลถ้าขาดศีลแล้วก็ทำตัวไม่ดีอีกต่างหากถ้าไม่มีศีลนัล่นก็เฉยเยถ้าเฉยเฉยไม่ อแม้ก็เป็นผู้มีสินนอ่ไม่ถึงจะไม่สมมาทานหรือจะไม่สมมาทานสมมาทานหรือไม่สมมาทานแต่ก็เป็นศินแล้วถ้าพวกคนไม่ทําความชั่วะถ้าหากพวกคนที่ทําความไม่ดีน่ะไปฆ่าทัพย์ไปขโมยทรัพย์อถึงจะว่ารักรรษาศินขนาดไหนก็เถอะอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่มีศิลสิลหรือไม่มีสินอยู่กับตัวของเราพวกท่านทั้งหลายถึงจะไม่สมมาทานหรือสมมาทาน พวกเรารู้แก่ใจถ้าเราไม่ได้สมาทานแต่เราไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้ล่วงเกินสินไม่ข่าสัดไม่ข่ายุงข่ามดไม่ขโมยของใครแม้แต่นิดหน่อยแต่สามีภรรยาลูกหลานเราก็ให้ความเคารพทุกคู่ทุกคนและก็ไม่โกหกตมตุนหลอกลวงไม่ดื่มสุราถึงจะเราจะไม่สมาทานเป็นสินแต่ตัวของเราก็เป็นผู้มีสินอยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้ล่วงละเมิดในศิทธิขบทเหล่านั้นถ้าคนไม่ล่วงละเมิดเดี๋ยวสีเลนะสุกติงยันติถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเราไม่เคารพไม่มีสิน ล, ล่วงละเมิดในสินเหล่านั้นพวกเราเดือดร้อนบุ่นวายแน่เพราะอะไรไปฆ่าคู่ฆ่าคนเข้าไปฆ่าจัดสาราสิงเข้าไปฆ่าใครต่อใครเข้า ไปขโมยของใครเข้านะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีสินเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุ ข, ขติงยันติออผู้ที่มีความสุขได้ก็ให้งดเว้นในเรื่องศินสีเลนะโพคะสัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติได้สมบูรณ์บริบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขได้ก็เพราะสินคนที่มีศินไม่คดโกงไม่ป้นไม่เบียดไม่บังของใครมา เวลาได้มาก็ได้มาโดยสุดจริตด้วยมาด้วยน้ำพักน้ำแรงได้มาได้มาโดยการทำมาค้าขายของพวกเราอันนี้ได้มาด้วยความสมบัติเข้ามาหาเราก็เย็นแต่ถ้าว่าพวกเราได้มาโดยการคดการโกงการเบียดการบางังมันก็เป็นทุกขติงยันตินไม่สุขขติงเนี่ยไม่โพกสัมปทานโพคะสมบัติเข้ามาก็เกิดร้อนทำให้เรา จมวนที่ได้มาก็ทําให้เสียหายไปด้วยเพราะเหตุไรเพราะเราได้มาส่วนนั้นไม่บริสุทธิ์นี่แหละที่เลนโพ็สัมปทาสีเลนานิพติงยันติผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่พระนิพพานได้เพราะศีลเพราะเหตุไรเพราะว่าคนที่มีศีลแล้วจิตใจไม่กระเพื่อมไม่บุญไม่วายจิตใจสงบเน่งพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลทําจิตใจให้ เออสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วจะเดินวิปัสสนากาเดินได้ง่ายเพราะว่าจิตใจของเราสงบเดินวิปัสสนากาเดินเป็นมักเป็นผลรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะนั้นศีลของพระพุทธ เ, เจ้าพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นคุณงามความดีที่จะไปสูงความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ ด้วยศีล น, นะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เคารพและให้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่เป็นแนวทางเท่านั้นเองแล้วให้พวกเราไปศึกษาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราจะซึ้งในศีลของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังเราบางทีก็ปิดหูปิดใจซะไม่รับรู้รับทราบไม่อยากจะฟังอีกต่างหากแล้วพวกเราจะรู้ ในคุณค่าของศินให้เลิกสึงได้อย่างไรถ้าพวกเราเปิดใจเปิดหูให้ฟังศึกษาแล้วก็ไตรตรองเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้นั้นพวกเราจะสึงในศินของพระพุทธเจ้าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกัสัมปทาสีเลนะนิพุติิงยันติเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศิน นะโมตัสสะภควะโตอรหะยันติตัชมาสีลังวิโสทะเยา<ะ>ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแ น, แนวข้อปฏิบัติหรือว่าศีลธรรมให้แก่คณะทายาิโยมที่มาสู่วัดวาศาสนาหรือผู้ที่ได้ยินทางสถ า, านีวิทยุของหลวงพ่อเพราะวันนี้เป็นวันพระในทางพระพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกเราควรจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าพวกเราจะส่องแสวงหาแต่อาชีพรรมาค้าขายหรือว่าการเป็นอยู่กินหาปัจจัยสี่อย่างเดียวมีแต่หาเงินอย่างเดียวคงจะไม่ถูกต้องควรจะหาธรรมะเข้าสู่จิตใจด้วยเพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าไม่ให้มัวเมาจนเกินไปถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่อาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยจะหรูหราโออาขนาดไหนร่างกายของเราขึ้นไปอยู่ไม่มีใครที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แก่ไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบแต่ผู้ปฏิบัติธรรมถึงอย่างนั้นใช่ไหม ผู้ปฏิบัติธรรมมีทั้งสแสวงหาทั้งเงินคําทรัพย์สมบัติหาปัจจัยสีด้วยแล้วก็พร้อมกันก็หาธรรมะเข้าสู่จิตใจด้วยก็แก่เจ็บตายเหมือนกันร่างกายไม่มีใครที่จะแปลกตกต่างกันแต่ว่าที่จะเหนือกันนั่นก็คือทางด้านจิตใจที่มองไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะใจของท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัต ท่านทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะใจของท่านทำความชัว่วฮะเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษาไม่ได้อยู่ในภายนอกไม่ได้อยู่ในรูปร่างกลางตัวอยู่ในจิตใจถึงจะหูหนวกตาบอดบ้าไ้เอวัย ว, วะพิกลพิการแต่ใจของท่านเป็นพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าก็ยังว่าผู้ประเสริฐ เ, เพราะใจของท่านเป็นพระอรหรันต์เพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจตามนี้ หลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ว่าใจของเรามีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วคนนั้นเป็นที่ยกย่องนับถือในในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นบุคคลที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่า คนผู้ใดก็ตามถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนทางภายนอกแต่ว่าจิตใจไม่มีคุณธรรมจิตใจเลวจิตใจไม่มีศีลธรรมแล้วท่านว่าบุคคลนั้นะเป็นโมฆะบุรุษถ้าเป็นพระภิกษุก็โมฆะภิกษุโมฆะแปลว่าผู้เปล่าประโยชน์เปล่าคาว่าไม่ใช่เปล่าในทรัพสมบัติเปล่าทางด้านจิตใจ แปลว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมในทางด้านจิตใจไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเรือดร้อนเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามนโนมายาทำทั้งหลายหรือเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นเออเรื่องของใจเป็นสําคัญ ท่านไม่ได้นเน้นถึงด้านวัตถุถึงด้านวัตถุนึกถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนล่ารวยขนาดไหนเลี้ยงร่างกายดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ถึงจุดจบของของของเขาเพราะนั้นเลี้ยงพอประมาณควรจะเลี้ยงทางด้านจิตใจควรจะนําบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านจึงสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลาย บุคคลที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากมีอยู่สองอยา่างมีอยู่สองคนบุคคลที่หาได้ยากสองคนนั่นคือใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วก็หาได้ยากที่สองก็คือว่ากัตตัญญูกตเวทิตาเมื่อท่านทำคุณให้แก่เราแล้ว มึบางคนก็เฉยเมยไม่รู้จักพระคุณของท่านอันนี้แปลว่าคนไม่มีกตันยูกตวเวทิตาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกตันยูกะตะเวทิตาเมื่อท่านให้ทําคุณแก่เราแล้วเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านอันนี้ท่านเปรียบเทียบแต่ก่อน หลวงพ่อเองเปรียบเทียบสองอย่างคือบิดามัรดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้กำเนิดแก่เราเราเกิดมาจากพ่อแม่ น, นั้นเป็นผู้เป็นบุพภาการีแต่วันนี้หลวงพ่อจะบรรยายออกไปอีกว่าบุพภาการีเนี่ยมันมีมีอยู่หลายระดับอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบุพภาการีของพวกเราเพราะให้ธรรมะถ้าว่า พ, พระพุทธเจ้าไมา่ให้ธรรมะ พ่อแม่ของเราก็ไม่สอนเราให้รู้จักบุญคุณอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุพการีเป็นบุคคลที่ให้ธรรมะแก่โลกสอนโลกให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สอนจนถึงละปล่อยวางจน พ, พ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เ็คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุพการีธรรมะ เป็นบุพการีในฝ่ายธรรมะเป็นผู้ให้ธรรมะแก่พวกเราท่านทั้งหลายแล้วพวกเราจะแสดงความกตัญญูอย่างไรพวกเราต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ลำลึกถึงพระคุณของท่านอันนี้ละ่ะเราแสดงความกตัญญูอันที่สองก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ท่านก็เป็นบุพการีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเรา อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถ้าบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ไม่ปกป้องแผ่นดินไทยมาถึงบัด น, นี้พวกเราจะเป็นคนไทยได้อย่างไรให้อ่านดูประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของเมืองไทยเป็นมาอย่างไรพวกที่พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างนี้ท่านปกป้องเมืองไทยมาขนาดไหนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับบุพภการีทางฝ่ายบ้านเมือง อันที่สามก็คือบุพภะการีคือพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีอุปคระคุณที่เราให้เราเกิด เ, เมื่อเกิดมาแล้วท่านก็เลี้ยงดูอย่างดีจนพวกอ ย, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหรือพวกเราได้เลี้ยงลูกขอ ง, ของพวกเรามีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรร้องไห้ขนาดไหนพ่อแม่ก็มีแต่พยายามจะให้ลูกตัวเองหยุดร้อง เพราะมีความทุกข์อะไรจึงร้องก็ต้องหาสาเหตุอีกพ่อแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับการเลี้ยงลูกของตนเองเป็นอย่างมากอันนี้คือเป็นบุพการีแล้วพวกเราจะแสดงความกระตันยูอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามายากขนาดนั้นพอเห็นท่านเลยก็ดูถูกเกียดย้มว่าพ่อแม่ตัวเองจนเดินไปไหนก็ไม่เคารพเพราะว่าพ่อแม่ตัวเองจนดูถูกเกียดย้ำถากพูดถากถาง ว่าพ่อแม่ตัวเองไม่รักตนเองอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นทำไห่แสดงความกระตันอยู่กับท่านสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับลูกหลานพวกเราทุกทกท่านให้ระ ล, ลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากแล้วเราจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทากิจธุระของท่านดารงวงศ์สกุล ประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญทบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือลูกทั้งหลายแสดงความกตันยูต่อบิดามารดาของพวกเราจึงจะถูกต้องจากนั้นอันที่สี่ก็คือครูบาอาจารย์พระอุปชาครูบาอาจารย์ก็ให้ธรรมะให้ชี้แจงธรรมะอย่าทาอย่างนั้นนะ ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลูกหานะอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ได้รับโอวาทมาจากหลวงปู่ล่าหลวงตาครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูและก็ครูบาอาจารย์ที่ได้พบได้เห็นที่ท่านให้โอวาทเป็นผู้แนะนําก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์จากนั้นพระอุปชาก็เป็นผู้บวชให้ที่เราได้บวชครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนํา จากนั้นก็ไปบทช พ, พระอุปชาเราก็เกิดมาจากพระอุปชาคณะสงฆ์เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นพระอันนี้ก็คือถือว่าเป็นพกครูบาอาจารย์เป็นบุคคลสำคัญถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ทางโลกก็เถอะอย่างครูโรงเรียนอย่างนี้สอนนักเรียนสอนมหาวิทยาลัยหรือถอนปณิาตรีโทเอกทุกระดับถือว่าเป็นครู ถ้าว่าไม่มีครูแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรครูนั่นก็คือเป็นผู้ให้ความรู้แก่ลูกหลานแก่เด็กนักเรียนแก่ลูกศิษย์ของตนเองเพราะฉะนั้นครูเมื่อเราเป็นครูเราก็ต้องมีเมตตาอยู่ในจิตใจอย่างลึกซึ้งอย่างทํำยังไงเราจึงจะสอนลูกหลานของเราหรือลูกศิษย์ของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งความรู้ทั้งการเป็นอยู่ทุกอย่างนี่แหละ อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์เป็นผู้เป็นบุพการีส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้แก่พวกเราก่อนแล้วพวกเราจะกระตันอยู่กตเวทิตาย่างไรพเพราะพระตเจ้าท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นครูบาอาจารย์มาแล้วมาในวงของเราหรือเรากำหนงจะนั่งอยู่ในขณะนี้แหละเห็นครูบาอาจารย์มาเราดอยลุกขึ้นยืนรับให้ให้ที่นั่งแก่อาจารย์อาจารย์ เชิญนั่งที่นี่อาจารย์ลุกไม่ใช่ว่านั่งขวางอาจารย์อันนั้นแปลว่าไม่ถูกไม่แสดงความกระตันอยู่ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามด้วยเรียนศิลปะวิทยาแก้ไขก็บ่าเมื่อมีโอกาสเราก็พยายามเรียนศิลปะจากอาจารย์ที่อาจารย์ยังค้างๆหรือว่าอาจารย์ยัง ให้ข้อคิดหรือว่าให้ความรู้ยังไม่จบเราก็พยายามเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์นั้ น, น, นอันนี้คือครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นบุพการีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมีอยู่สวันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนั้นควรทําอันนั้นไม่ควรทําเรื่องทานมีคุณค่าอย่างไรศีล มีคุณค่าย่างไรการปฏิบัติทำจิตใจอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัตฏสงสารอันนี้คือยอดมหาอนกันใหญ่ที่สุดเลยมหาบุพคารีคือพระพุทธเจ้าเป็นยอดมหาบุพคารีพอท่านแนะนำสั่งสอนจนถึงที่สุดไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดอีก ถ้าเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเราจะต้องประสบพบเห็นแก่เจ็บตายทุกข์ยากลําบากอย่างพวกเราทันทั้งหลายได้เห็นอย่างพวกวันเองถึงจะอยู่ในระดับไหนก็เถอะพวกเราก็จะต้องประสบพบเห็นในกองทุกข์เดียเด๋ยวกว่าขับเดี๋ยวกว่าตายเดี๋ยวกว่าหายใจเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวกว่าปวดเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวกว่าพัดภาคเดี๋ยวก็ได้สมหวังไม่สมหวังมันอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมด อ, อมันก็เพิ่อมกระตรดเวลาเวลาทางด้านจิตใจจะส่วนร่างกายก่อเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหาย บกพร่องอยู่ตลอดเวล่ำเวลานี่เพราพระพุทธเจ้ า, ยยาท่านแนะนําว้สิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ยังเป็นอีกอยู่นะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้รีบผลขวายตั้งแต่บัดนี้มีหนทางมีช่องทางอยู่นะมีช่องทางอยู่จะไม่มาเบียนไหวตายเกิดนี่มีอยู่นี่พระพุทธเจ้ า, ยยาก็สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่ริเริ่มถึงศิลปสมาธิปัญญาคือมักแปดคือหนทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจากรรมันตอาชิโววายมโมสติสมาธิมักแปดพระพุทธเจ้าวางเอาไว้อั น, นันคือหนทางที่จะเดินไปสู่มักผลนิพพานเป็นทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวิวรตะสงสารอีกต่อไปอันนี้คือพุทธเป็นมหาบุพการีที่ท่านสอนพวกเราจากนั้นก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านให้แนะนําสั่งสอน สารถูกสุกติดของพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเขื่อนไม่รู้ว่าเขือเข่อนไหนตัวเขื่อนไหนน้ําเป็นยังไงประชากรมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรท่านก็แนะนําสั่งสอนเศรษฐกิจพอเพียงตรงทําอย่างนี้นะเศรษฐกิจพอเพียงอให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จกักประหยัดให้รู้จกกัจ ก, จ ก, ดจกดูแลครอบครัวของท่านทั้งหลายจากนั้นก็มีกฎหมายคุ้มครองอีก แหมใครอ่อนแอแหมใครที่ละลานคนอื่นเขามีกฎหมายออกมาอีกคุ้มครองอันนี้แหละคือความร่มเย็นเป็นถุกอันนี้ก็เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะคร่อนแล้วพวกเราจะแสดงความกตัญญูอย่างไรเราก็ต้องเป็นประชากรที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปจีอย่าไปค่ า, ายาบ้าคันชา ย, ยาวฟิน ให้เคารพปิดามารดาให้เป็นคนดีสรุปแล้วดีแล้วไม่ดีพวกเราก็รู้แก่ใจว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราใหญ่มากขนาดนี้ไม่รู้จักเหลือดีแล้วไม่ดีดีหรือชั่วเราไม่ได้เรียนหรือเพียงแต่ว่าบางทีเราก็รู้เต็มใจว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่เราทําเพราะเหตุอะไรเพราะมันสู้กิเลสภายในใจของเราไม่ได้เพราะสู้กิเลสราคะโทสะโมหะของเราไม่ได้เราก็เลยถล่มทาลงไปเมื่อทําล้วไปมันดีไหมไม่ดีเพราะนั้น ฝืนใจทุกสิ่งทุกอย่างฝืนนะต้องใช้วิธีการอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหากห้ามใจขคงตนเองอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละให้ฝืนถ้าฝืนครั้งนี้ครั้งต่อไปเราก็จะเห็นคุณโอ้ถ้าเราไม่ฝื น, ถ, ฝนถ้าเราไม่สู้จิตใจถ้าเราทําไปลงลงไปในจุดนั้นมันจะเป็นอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะอยู่ในคุกในตารางก็ได้แต่เราเอาชนะใจตนเองได้ใช่ไ เราก็เลยไม่ไม่มีเรื่องมีราวอย่างนี้อันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝืนเพราะฉนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือบุพการีทั้งฝ่ายบ้านเมืองที่จะให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขได้ น, นี่ก็คือการปกครองคือพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือฝ่ายปกครองนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็บิดามารดาที่ท่านเลี้ยงดูเรามาอันนี้เห็นใกล้เช็ดพวกเราเห็นอยู่แล้ว นี่แหะคือพ่อแม่เป็นบุพภาการีบุคคลภูมิอุปการะก่อนพวกเราจะแสดงความกตัญญูอย่างไรกับบิดามารดาของเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องคิดนะคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าตามใจตัวเอง<ม>อย่าโมโหโก้ท้าให้แก่พ่อแก่แม่อย่างพ่อแม่ดูดาว่าเก่าเราก็ต้องฟังถ้าเราฟังไม่ได้เราก็ต้องเดินหนีออกไปก่อนและยังกลับมาทําความเข้าใจกับท่านใหม่ ยกมือไหว้ท่านถือว่าท่านเป็นเทวดาเป็นพระหั์ของเราเราก็จะต้องให้ความเคารพท่านอย่าไปถกอย่าไปเถียงอย่าไปแสดงความกล้าล้าวกับท่านอันนี้เราบุพภการีเมื่อท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤ จนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วยังยังทำบุญบุญทิศกุศลกุศลให้ท่านอีกเพราะร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยยังเป็นมรดกของพ่อแม่ให้ยังอยู่กับเราอยู่เพราะฉะนั้นจนกว่ามรดกชิ้นนี้จะหมดไปจึงหมดหน้าที่ของพ่อแม่ในชาตินั้นนี่แหละอันนี้ก็คือบุพภะการีคือพ่อแม่จากนั้นกับครูบาอาจารย์ อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ก็คือครูบาอาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองเป็นผู้มีสติมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดถึงจะเป็นพระก็ให้เป็นพระที่มีมีคุณภาพให้มีคุณธรรมมีศีลธรรม ม, รร ม, มีจริยธรรมถึงตัวเองจะด้อยแต่อยากจะลูกสงลูกตัวเองให้สูงสง่งให้มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถทุกด้านนี่อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ทางโลกก็เถอะ นักเรียนของตนเองถึงเราจะจบปริญญาหรืออาจจะไม่จบถึงปริญญาตรีแต่พยายามสอนลูกศิษย์ให้ทั้งอกตั้งใจเรียนให้นักเรียนศิษย์ของเราสอบข้อมหาวิทยาลัยได้เป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาเราก็ภาคภูมิใจทั้งที่ตัวเองอยังไม่ถึงปริญญาตรีอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะลูกศิษย์ของเราก้าวหน้ากว่าเราไอ้อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์คงจะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่คิดอย่างนั้นในจิตในใจนะ มีแต่อยากจะให้ลูกของตัวเองก้าวหน้าแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องบอกเอาไว้อย่าทำสิ่งนั้นนะมันไม่ถูกนะควรจะเดินแบบนี้นะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนนะตื่หลักธรรมวินัยนะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าจะจัดเป็นหมวด ค, คือหมวดศีลจัดว่าเป็นหมวดศีลที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยทาไมจึงว่าหมวดศีลเพราะว่าการประพฤติปฏิบัต สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินถึงจะไม่จัดว่าเป็นศินแต่ว่าพวกเราสำรวมกายคือการกระทําของเราไม่ ม, มีโทษออไม่ได้กดไม่ได้โกงไม่ได้ปุ่นไม่ได้จีไม่ได้ทําร้ายทําลายใครอันนี้แปลว่าสำรวมกายวาจาวาจาคือคําพูด เ, ออเราไม่ได้ดด่าว่าเกาวไม่ได้โกหกต้มตุน๋นหลอกลวงคนอื่นเขาอันนี้แปลว่าทั้งกายทั้งวาจาของเราอยู่ในความสงบเรียบร้อย พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นหมวดศีล น, นี่แหละถ้าพวกเราถึงจะไม่ได้รับศีลก็จริงแต่เมื่อเราไม่ได้พูดกล่าวถึงศีล ก, ก็ตามแต่พวกเราประพฤติดได้อย่างนีอ้อยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้ก็อยู่ในกฎของศีลของพระพุทธเจ้าเหมือนกันศีลคำโวมกายวาจา่วนสมาธิจะทําจิตใจยังไงให้สงบแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีแต่รักษาศีล มีแต่สั่รวมกายวาจาเพียงเท่านั้นยังไม่พอเพราะศีลมันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าใจของเราไม่ได้รับการอบรมอไม่ได้รับการศึกษาอย่างดีใจของเราก็มันออกแฉลบออกไปบางทีก็สู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้บางทีเห็นเข้าไปทั้งที่รู้รู้<อ>แต่ก็ปล่อยกายออกไปปล่อยหมัดออกไปปล่อยวาจาพูดออกไปเพราะเหตุใด เพราะใจของเราไมา่ได้รับการอบรมจะทำยังไงจึงจะรับให้ใจได้รับการอบรมที่ดีนี่แหละต้องมีสมาธิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ต้องมีสมาธิต้องอบรมใจจะเอายังไงจึงจะอบรมใจได้พระพุทธเจ้าท่านเราได้ศึกษามาแล้วเราที่ไปอยู่ที่โ้นต้นโพวันนั้นเราได้รู้หนทางวิธีการปฏิบัติที่อบรมใจนั้นเรารู้วิธี เราอบรมยังไงนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปจงจิตออกไปทางหน้าข้างหลังไปไปในอดีตไปในอนาคตอนาคตก็คือวันพรุ่งนี้มาลลืนนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ละจะไปอนาคตทั้งหมดแต่ตั้งแต่นั่งอยู่นี่นมองไปทางหลังเป็นมาในี่ไฉบาทมานี่ไหวพระมานี่เป็นอดีตทั้งหมดและคาพูดจบลงไปคืออดีตแะ คำไหนที่ยังไม่ได้พูดเป็นอนาคตนีพอพูดจบไปเป็นอดีตเป็นอดีตเพราะยังไม่พูดเป็นอนาคตคือปัจจุบันในขณะดินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคือปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าให้มีสติอยู่ในปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตคําพูดไหนที่ยังไม่ได้คิดยังยังไม่ได้พูดนะอยจะไปอยไปคิดพูดมันอําพูดที่ไหนที่มันพูดไปแล้วมันจบไปแล้ว S <S <S <S แต่ให้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้นะพิธีการอบรมจิตเมื่อจิตใจของเร า, เาไม่คิดถึงอดีตอนาคตจิตใจเน่งอยู่กับที่เมื่อจิตใจเน่งสงบแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราจะรู้ได้โดยตัวเองเข้าไปเจ้าอยู่ในสถานะไหนยืนอยู่นาทีไหนเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมีสติสัมปชัญญะหนุอยู่ในใจใจคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ เมื่อใจเรารู้แก่ใจเราก็ อ, อย่ไปคิดในสิ่งที่มันจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นเอิอย่าไปทำอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นธรรมอย่าไปคิดในเรื่องออกนอกรูนอ ก, นอกทางในเมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วการกระทําออกไปมันก็ไม่ดีจะพูดออกไปเยโมโหอยู่ในใจเนยเห็นหน้ามันจะบตำบันหน้ามันโคตรออกไปอมันก็ไปด่าเขาอีกแต่เพราะอะไร เพราะใจไม่ดีในเพื่อใจไม่ดีแล้วทําออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นใจในสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้ทับการปรมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้ใจเย็นใจสบายใจมีเหตุใจมีผลคิดขึ้นมาก็มีเป็นศีลเป็นธรรมอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นถูกต้องอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นควรพูดอันนั้นไม่ควรพูดจะอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้น สมาธิเป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วไอ้สินทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็อยู่ในกรองของสมาธิสมาธิจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วปล่อยออกไปก็เป็นสินเป็นธรรมทั้งหมดจากนี้มาถึงพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาของพระพุทธศาสนาปัญญาหลักของพระพุทธศาสนาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนแก่พุทธ ทบปริษัท4โดยเฉพาะอย่างจริงท่านสอนพระสงฆ์แต่สอนญาติโยมท่านก็สอนอีกในมุมลักษณะหนึ่งสอนญาติโยมผู้มีภาระกิจธุระมากการทํามาค้าขายการทํามาหาเลี้ยงชีพควรทําตนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนอุทานาะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความหมัน่นความขยันอารคสัมปทาให้รักษาทรัพย์รักษาหน้าที่การงานรักษาตําแหน่งของตนเองเอาไว้ เ, เมื่อได้หน้าที่ตำแหน่งเมื่อรับมาแล้วอย่าไปกินเหล้าเอกินยาบ้ากัญชายาฟินเฮลวินเออย่าไปเทีเ่ยวเกกะละลานคนอื่นเขานะเดี๋ยวตำแหน่งลุดนะเอะเดี๋ยว เ, เขาถอนใบ ป, ประกอบโรคศิลเราน ะ, อ, ะอันนี้ก็คืออรักขสัมปทากัญยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนช่วยชาเสียหายอย่าไปคนคบคนไม่ดีก่อนที่จะคบคนก็ต้องดูซะก่อนเขาเป็นคนดีไหม เขามีอาชีพอย่างไรถ้ามีอาชีพที่มันไม่ถูกต้องถ้าเราครบเข้าไปแล้วกับเผลอเผอเราอาจจะติดคุกติดตารางกับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกครบก า, ารยาณมิตรสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไป ล, อล้อลวงอย่าไปป้นไปคดไปโกงขอเขามาเลี้ยงชีวิตของเราอย่าไปเอาของเอาของไม่ดีมาเลี้ยงลูกหลานของเราถ้าเราไปพดไปโกงไปขโมยของเขามาเลี้ยงลูกของเรา สิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปในเส้นเลือดเราอันดับแรกนั่นแหะมันจะขโมยเงินเราก่อนลูกไม่ดีสอนก็ไม่ฟังเถอะเพราะอะไรเพราะเราเอาของที่ไม่ดีมาเลี้ยงเขาเพราะนั้นต้องเอาของที่ดีมาเลี้ยงเขาเมื่อของดีเราก็กล้าพูดได้เต็มที่ว่าลูกเอ้พ่อมีแต่อกของดีๆมาเลี้ยงลูกนะเพราะนั้นลูกอย่าไปทาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะลูกนะเขาก็เชื่อฟังเพราะเขาเห็นอยู่แล้ว เ่อเพราะพ่อของเขามีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละอุทานะการกมันขยันอรรคะคือการรักษาการยานามิตรคบเพื่อนที่ดีงามสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้ก็คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนพวกพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ในฝ่ายคารวาัตท่านเน้นอีกคาวัตธรรมอีกธรรมของครวัตเย คราวะก็คือพวกผู้ผหญิงโยงผู้ชายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยท่านสอนอยังไงะคราววัธรรมธรรมของคราวะาคือท่านสอนอให้มีสัจจะพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้มีสัจจะ น, นะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันให้มีสัจจะนะออย่าไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขานะพูดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไม่มีสัจจะต่อกัน พวกเราพวกท่านทั้งหลายจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้นะถ้าขาดสัจจะจากนั้นก็ต่อมูต่อเพื่อนต่อวงการธรรมมาค้าขายต่อวงการราชการทุกสิ่งทุกอย่างทุกคู่ทุกคนถ้าคนเรามีสัจจะโพดอันไหนก็ควรทําอย่างนั้นถ้ามันจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ต้องบอกเออเรารับปากแล้วนะแต่ทีนี้มันผิดเพี้ยนไปนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวนี้นะก็คือแจ้งข่าวหรือบอกกล่าวกัน ไม่ใช่ว่าพูดออกไปแล้วก็ตลบตะแรงไปเรื่อยลอยไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอย่างนั้นหาความเชื่อถือไม่ได้เพราะคนไม่มีสัจจะทำมะให้รู้จักข่มจิตของตนบางทีคนเราก็มีโมโหโกธาน้อยอกน้อยใจอะไรมีตั้เยอะแยะแต่เราก็ต้องข่มใจเอาไว้ข่มใจอย่าเพิ่งพูดพงพ่างออกไปอย่าแสดงอากัปกิริยา ที่มันไม่ดีไม่งามออกไปให้พวกเราสํารวมให้ระวังในการเป็นอยู่อันนี้ด้าธรรมะให้รู้จักข่มจิตข่มใจของเราเอาศีลเอาธรรมเข้ามาข่มเอาไว้ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมมาอันนี้ธรรมะขันติคนเราเกิดมาก็ต้องถูกกระทบกระแทกทั้งรุดาว่ากาวบ้างทั้งไปทาการทางานร้อนหนาวบ้างหิวกะหายบ้าง มันมีต่งเยอะแยะพราะพระเจ้าว่าต้องมีขันตินะถ้าคนไม่มีขันติไปที่ไหนก็พองพ่างปูงปางไปหมดมันดูดูแล้วมันไม่นะ่าไม่น่าดูคนไม่มีขันติถ้ามีคนมีขันติแล้วนิ่งเงียบอควรจะพูดก็ไม่ควรพูดควรจะทําหรือไม่ทํำยังไงมีขันติกลั่นกรองด้วยความอดทนนี่แหละขันติแล้วกระจายค่าพวกพวกเราเกิดมาจะต้องมีการเสียสละนะ ขนาดพ่อแม่ยังเสียสละให้แก่เราเราเกิดมาแล้วพ่อแม่เสียสละให้ขนาดไหนเลี้ยงดูเรามาเราเสียสละคืนทัดไม่ได้เหรอเราต้องเสียสละให้คืนให้ท่านนะถึงท่านจะดุดาว่าเก่าวเราก็ต้องเสียสละต้องจาฆ่าไม่ถกไม่เถียงท่านเอยอย่างนี้เป็นตน้นจากนั้นก็เสียสละให้แก่หมูหมากาไกา่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อ, อันนี้ถ้าวกพวกเรามีการเสียสละต่อกันแล้ว โลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขนะมีอะไรเกิดขึ้นก็ย้อนยน้อนเหมื้นกันเถอยืดหยุ่นต่อกันไม่เอารัดเอาเปรียบเขาจนเกินไปหยวอนเหมือนกันเถอนี่แหละโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้ท่านสอนคารวะอย่างคารวะญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าท่านสอนพระท่านก็บอกพระสงฆ์ทั้งหลายเข้ามาอยู่ในวงในเข้ามาบวชในประพฤติปฏิบัติธรรมให้พิจารณานะ เออร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นไหมพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมเหใครหนุ่มไปข้างหน้ามีไหมอายุหกสิบ 70, แล้วกเจ็ด0ิบแล้วก็8แปดสิบเห็นไหมมันหนุ่มไปข้างหน้ามันมีแต่แก่เออผมไม่เคยงอกก็งอกผมไม่เคยขาวก็ขาวฟันไม่เคยหลุดก็หลุดไม่เคยยกคอก็นั่นแหละรู้สึกไปเรื่อยๆละ่ะเออตาก็รู้สึกว่าฝ้าฟางหูก็หลุดตึงไปเลยหนังก็เหี่ยวไปเลยเออผอมไปเรื่อยเป็นยังไง แล้วถึงจุดจบเป็นไหมให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะไตรตรองให้ดีนะอันนี้ร่างกายสังขารถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะไม่ใช่เรานะอันนี้คือท่านสอนพระวงในเลยหรือฆราวาสญ า, าติโยมจะนําไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์เหมือนกันนําไปใช้ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระเพราะพระนี่สูอยู่วงในจากนั้นก็ให้ไปพิจารณานร่างกายนะ ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะผลที่สุดตายนะจุดจบนะแต่เมื่อตายแล้วไม่สูญนะร่างกายเนี่ยตายแน่แต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนั้นจะออกจากร่างนะ เ, เหมือนกับคนเดินออกจากรถอย่างนั้นนะ่ะรถเนี่ยมันหมดสภาพ อ, อลูกสูบมันติดน้ํามันมันหมด อ, อมันหมดสภาพแล้วขยับยังไงก็ไม่ออกแล้วมันตายแหละ เ, เจ้าของรถก็ต้องเดินออกจากรถแหละนี่ก็เหมือนกันนะ่ะ วิญญาณก็ต้องออกจากร่างกายเพราะว่ารถมันหัวใจแตกหัวใจมันตายหัวใจวายละ่ะสมองมันหยุดเต้นละ่ะเออมันตัความตายมีแต่เยอะแยะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสมควรตายจึงตายอย่างนั้นไงพอตายแล้วนะ่ะวิญญาณออกจากร่างเลยเนี่ยนะวิญญาณน่ยไม่สูญนะออกจากร่างนะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปนั้นพวกท่านทั้งหลายที่คิดไว้ละอย่าง ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจหรือยังท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลตัดกิเลสในภายในใจของท่านเสร็จสิ้นลงหรือยังนี่แหละพระพุทธเจ้ า, าท่านสอนแก่พระสงฆ์พฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทำมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีบุพการีของพวกเราคืออะไร บุพการีอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนออพวกเราท่านทั้งหลายบุพการีที่สองก็คื อ, เ, อ, อเจา้าฝ้เาเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองรักษาประเทศชาติมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ต, ตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยกรุงเสียยุธยากรุงรัตนโกสินท่านรักษามาเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรแต่อพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรไม่ ควรให้ความเคารพยำเกรงนับถือท่านแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทอิดทูนบูชาต่อพระคุณของท่านกราบไหว้ทุกวันเวลาและเลิกได้หรือไม่ได้เลิกได้หลวงพ่อก็ลังเลิกถึงพระคุณของท่านที่ท่านให้ความรู้ความรอบครอบมาถึงปัจนนี้อันนี้แหละคือบุพการี จากนั้นพระองค์ก็สอนคณะสัตธาญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้ใช้ปัญญาในการฝึกเรื่องสมาธิจะรู้ถึงเรื่อนั้นได้ต้องทำอย่างไงต้องฝึกสมาธิให้จิตใจของเรา เ, เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นไนดะ้อ น, นั้นผิดอันนั้นถูกอ น, นั้นควรไม่ควรอย่างไรต้องฝึกเรื่องสมาธิก่อนเมื่อสมาธิดีแล้วเราก็รู้ได้ด้วยปัญญาปัญญาทางโลกสอนอยังไง อุทานะสัมปทามั่นขยันในการหาทรัพย์พรรยาให้รักษาทรัพย์สมบัติให้รักษาหน้าที่ตำแหน่งให้คบเพื่อนที่ดีงามกัลยาณมิตรและก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบส่วนพระสงฆ์ท่านให้สอนอยังไงสอนให้พิจารณาร่างกายสังขารถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่มีแต่ห น, นุ่มไปข้างหน้ามิแต่แกผมไม่เคยหงอกก็หงอกอย่างที่ว่าฝันไม่เคยหลุดก็หลุดนะเป็นยังไงผลที่สุดก็ถึงจุดจบ เมื่อถึงจุดจบแล้วเนี่ยตายไปแล้วร่างกายเนี่ยตายแน่นะแต่จิตใจออกจากร่างนะเราได้เป็นพระระดับไหนเรามีบุญกุศลอยู่ในจิตใจของเราหรื อ, อยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายจะต้องทบทวนเลทให้ทบทวนไข้ควนทบทวนถ้าว่าเรามีบุญมีกุศลในจิตใจเมื่อออกจากร่างเนีต่อบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนพวกเราไปสู่พระโลกภายภาคหน้ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สนใจ ไม่เชื่ออีกต่างหากเมื่อออกจากร่างแล้วนะย่ําตกนะทีนี้ย่ำตอกนะอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ติระชันได้ทุกประเภทนะให้ฟังเทศวันละหนึ่งกันกลางคืนนะเงียบสงบหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับผู้ได้ยินได้ฟังสุดธรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง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 ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นอยากแก่แนะ น, นาําคณะสัตยาธิโยมทุกมูลเหล่าให้ตั้งใจฟังพวกเราจะมีสติมีปัญญามีความรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไข้ควรทบทวนสิ่งที่ยินได้ยินได้ฟังนั้นพวกเราจะรู้ได้แต่ถ้าพวกเราไม่สนใจฟังแล้วก็ฟังไปอันนั้น ถึงจะฟังมากขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุอะไรประโยชน์ประโยชน์น้อยมากถ้าไม่เกิดจะประโยชน์เลยก็คงจะไม่ใช่แต่เราฟังดูแล้วไตรตรองเหตุและผลในทางธรรมคำสอนจากนั้นลงมือประพฤติธปฏิบัติด้วยพวกเราจะเห็นผลจะซึ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะซึ้งในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนกว่านั้นขอให้พวกเราฟังนะ ยินดีในการฟังค้นคว้าศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค้นคว้าศึกษาทั้งหมดเน่ยปริ ญ, ญาตรีโทเอกไม่ใช่ว่าเขานอนอยู่ทั้งวันเขาได้ปริ ญ, ญาเอกไม่ใช่นะแต่เขาต้องค้นคว้าศึกษานะนี่ก็เหมือนกันทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเรานอนเราจะได้รู้ศีลรู้ธรรมทั้งหมดไม่ใช่นะเราต้องศึกษานะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะมันจึงจะรู้ได้นะต่อเ น, นี้ไปคณะสงฆ์จะ อนุโมโ ม, นมโทนาให้พร